พระธรรมเทศนาแผ่นที่85าลำดับที่20สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28กลกุมภาพันธ์2559ามีชื่อเรื่องว่าถ้าทะเลาะกันมันชิบหายทั้งสองฝ่าย เมื่อาามสตีพัสตาประชชาเทุภามังกปีชาขอพระคุณาติดแสมั่นกแก้ตนาจ้าด้วยเหเมื่อกี้นี้เห็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานสมาทานศีลเองหลวงพ่อวัดถูกต้องนะเพราะว่า สี่ห้าเป็นศีลพวกเราเไม่ใช่ให้พระครูบาอาจารย์เป็นผู้พานำสมาทานที่พวกเราสมาทานเองเ อ, อ, อันดับแรกคือว่านัโมนโมตัดสะยข้าไปแก้าขอนอบน้อมเดีพระผู้มีพระภาคจาบนั่งกับพุทธังทำมางสังขังเจต พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งดุติยัมปี Cat, ยืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาตียามปีจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามเป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือยึดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นสยามภูรู้แยงโลกเป็นผู้หมดจดจากกิเลสจากนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมที่ เลิดประเสริฐที่ออกมาจากใจบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติก็รู้แจ้งเียงจริงในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเป็นอริยสงฆ์เมื่อท่านได้สำเร็จเป็นอริยสงฆ์แล้วหรือว่าสมมติสงฆ์เรื่องใสศรัทธา จากนั้นก็แนะนําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราทั้งทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรัพยเป็นที่พึ่งจากนั้นจะกล่าวเป็นองค์สินปานาข่าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราเราฆ่าเขาไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่าย เราควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอาทินนาทานเราเขาโมยของเขาเขามาขาโมยของเราไม่ดีทั้งสองอย่า ง, ง, อ ง, อางเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกัน เ, เราเคารพในสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นเมื่อเขามาทำกับตัวของเราสามีภรรยาลูกหลานของเราเราไปทำให้กกับคนอื่นเขาเอขอเสียความรู้สึก เราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียความรู้สึกในเมื่อเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราโกหกเราเราก็เสียความรู้สึกคนนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินห้าแต่ศินข้อที่ห้าสุราเมรยาดเราจะไม่เสพและไม่ดื่มของทีมเงินเมาเ อ, อหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเสพและดื่มเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทําให้เราขาดจิต เมื่อเราขาดจติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขามขู่ใครก็ได้จะระาราาประร่วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะเราขาดจติหลวงพ่อได้เปรียบเทียบ ว, ว่าสินข้อที่ห้าคือสินหลังคาโบสหรือหลังคาศาลาถ้าหากว่าโบทหลังนี้ศ า, าลาหลังนี้ไม่มีไม่มีหลังคา ไม่มีกระเบื้องมุงไม่มีสังกะสีมุงอาคารหลังนี้ก็ไม่น่าอยู่เพราะเหตุไรเพราะแดดออกมาก็ร้อนฝนตกมาก็เปียกหาความสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะอาคารหลังนี้ไม่มีหลังคาคนคนคนหนึ่งก็เหมือนกันจะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนล่ำรวยขนาดไหนจิเรียนสูงขนาดไหน จะเป็นคนดีขนาดไหนสมบัติผู้ดีขนาดไหนในชุมชนสังคมแต่เป็นบ้าจะอย่างเดียวคำว่าเป็นบ้าคานี้ก็คือคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติคือคนบ้าดื่มของหุ่นเมาเข้าไปนั่นก็คือขาดสติทำให้เป็นบ้าในเมื่อทนคนค น, คนนั้นทําให้ขาดสติแล้วเสียหายหมดทุกอย่างหมดความเชื่อถือในคนคนนั้น เพราะนั้นศีลข้อที่ห้าเป็นศีลหลังคาบ้านหรือเป็นศีลหลังคาคุ้มคลองศีล ท, ทุกข้อเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่นะอันนี้ก็คือศีลรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล น, นะเมื่อเรารักษาศีลดีแล้วเราจะนั่งภาวนาปฏิบัติก็เป็นไปด้วยดีเราอยู่ด้วยกันในเพื่อน ในประเทศชาติบ้านเมืองในชุมชนสังคมของพวกเราเราก็มีความร่มเย็นผาสุขเพราะต่างคนต่างมีศีล น, นั่นแหละศีลคุ้มของโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่าคนในโลกนีขาดศีลธรรมมากๆคนในโลกนี่จะเดือดร้อนนะลูกหลานนะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแอรู้สึกว่ามันก้องๆอย่างไงวะเสียงของเราหนะลีหลีลงได้ไหมลูกหลานสุขคัสสะสังคัสสะสามัคคี ขยวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทติวันนี้เป็นวันหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นวันที่นัดกันมาประชุมเพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดอาสุปโสรามแห่งนี้คือวัด น, นี้ถือว่าเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา คือวัดท่านพ่อของพวกเราที่เป็นต้นตระกูลของที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรุ่นแรกรุ่นใหญ่หลวงพ่อเอง่ว่าถึงว่าในสมุทรจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาแล้วก็ก็คือยกย่องว่าเป็นวัดของท่านพ่อคือวัดหลวงพ่อลีของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกเราท่ทาทั้งหลายจะในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายาได้มาอยู่ในใต้ ร, ร่มเงาบารมีขององค์ท่านแต่ชัลลีละของท่านก็ยังยังมีอยู่ยังไม่ได้พระราชทานยยังประชุมเพลิงมันยังไม่พระราชทานเพลิงพวกเราจะได้มากราบมาไหว้เพราะนั้นจากนั้นมาก็มีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ก็คือท่านหลวงพ่อของพวกเรา ก็เป็นลูกหลานหลานเลนเลของท่านพ่อของเราเป็นทายาทแต่อาการเรื่อการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านก็ตามอายุสังขารไม่ว่าท่านว่าเราถึงพวกเราก็เถอดที่นั่งดูด้วยกันเนี่ยข้าพระเจ้าไม่เป็นอะไรง่ายจัยงแข็งแรงกว่าท่านพ่อเนี่ยอย่งแข็งแรงกว่าครูบาอาจารย์เพิ่งเพิเข้าไปนอนหลับตายไปก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเรื่องความตายเนี่ยมรณงเมย์มรณ ะ, ะเมย์คำนี้นะให้มัดระวัง อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มารวมมารวมกันแสดงออกซึ่งการปฏิบัติธรรมแต่หลวงพ่อเองเออลงมาคราวนี้ก็ไม่ได้ไม่คาดคิดว่าจะได้มาที่วัดเพราะมาทำทุระที่สวนแสงธรรม เ, เพราะว่าทางฝ่ายพระสงฆ์ลูกศิษย์กหาองหลวงตาท่านไปซื้อที่ดินทางเมืองโครโรราโด จากนั้นก็เป็นหนี้สินก็ เ, เลยรวมไปชมกันทอดผ้าปา่าเพื่อจะไปในถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายถอนขายกขว่าเป็นหนี้สินไม่ยูถ้าหากว่าไม่ช่วยกันก็จะทำใหเ้เขายึดที่ดินไปก็ทําให้ขายผี่น้องออพวกเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้มาร่วมฟังมาร่วมทอดผ้าปา่าสามัคคีในวันนี้ก็ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคณะศนักตาญาติโยมลูกหลานคือเขาต้องการได้ต้องการเงินประมาณ4ี่ล้านนะสามล้านปลายปลายสี่ล้านต้นต้นแต่ก็ได้ห้าล้านกว่าก็รู้สึกว่าเออประสบสําเร็จและจบละเรื่องที่ดินค่าที่ดินวัดโคโรราโดนะหลวงพ่อกับออกจากนั่นมากัเนี่ออกจากสลาเ ก, ก็บมาที่นี่เลยเพิ่งมาถึงล่ะมาถึงก็มาพบกับ น, นาาักตาญาติโยมโลกลาน เพราะว่าลูกหลานข่าวก่อนมาพบลูกหลานที่นี่เหมือนกันแต่มาข่าวนี่ก็เห็นลูกหลานทั้งหลายคณัตตญาติญาติทั้งหลายทั้งหลายอุ่นน้ฟ้าพังนี่แหละถึงอย่างไงที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าที่สวนแจ้งธรรมก็ว่าต้องการให้พี่น้องพร้อมเพียงสามารถขีกันมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราหานหน้าก็หาการปรึกษาปรัรบกันมีอะไรอย่ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน ถ้ามีความเห็นแตกแต่ต่างกันล่ะที่ใครจะเก่งขนาดไหนก็เถอะเออมันจิบหายด้วยการทั้งทั้งกลุ่มทั้งหมู่ทั้งคณะแต่หาว่ามีความพร่องเพียงสามัคคีกันในหมู่ในคณะเออมีอะไรถ่อยที่ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเออในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราต่างนั้นก็อบอุ่นนะเออมีการอบอุ่นอบอุ่นทางด้านจิตใจเพรมีอะไรก็จะต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่หาว่าพวกเรา ไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีแก่งแย่งกันทำจบทำให้เสียหายหลวงพ่อพูดมื้อเช้าหลวงพ่อกับบ้ารบเนี่ยเรื่องความพร้อมเพียงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เอาช่วยช่วยกันอย่างที่เมืองโคโลราโดหลวงพ่อนะันลงไปซื้อที่ดินแล้วก็ไม่ปัดใจไม่พอเนี่ยเขาจะถ้าว่าไม่มีเงินเข้าไปเขาก็ต้อง ถ้าหลวงพ่อท่าล ง, ลงก็ไม่อยู่อีกจะกลับมาเมืองไทยเพราะอายุมากแล้วให้องค์อื่นไปอยู่กับไปรับนีส้สินองค์นั้นไปรับเงินหาทุนทาเงินไม่พอจะทํำยังไง เ, เขาก็จะยึดวัดพอยึดวัดมันก็เสียเสียวงค์สาคานายจะอาจ เ, เ, ออเสียความรู้สึกของศิษญานุิ์ขององค์หลวงตาวันนั้นหลวงพ่อให้พร้อมเพียงสมัครีั น, นะพี่น้องลูกหลานมีอะไรเกิดขึ้นก็หานหน้าเข้าหากันปรึกษาปรัรบกัน ถ้ามีมีความพร้อมเพียงสมัคขีในเครือญาติแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่ามีการแข่งแย่งกันจะหาความสงบสุขไม่ได้นะั่นลูกหลานนะหลวงพ่อก็เคยเล่าหรือยยกนิทานให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ เ, เ, เ, เมืองโกสัมพีพ ร, ร, ระพุทธเจ้าเสด็จอยู่เมืองโกสัมพีแตนี่มีวัด พระสงฆ์ต้องพันรูปนะในพันรูปนั้นกัพระองค์เป็นประธานนะแต่บางแต่กลุ่มหนึ่งเป็นพระวินัยทรแต่กลุ่มหนึ่งเป็นแต่กลุ่มหนึ่งเป็นธรรมมักระถธรรมกรนะถเนี่ยคืออบรมแนะนําสั่งสอนอย่างลูกพ่อเนี่ยขึ้นธรรมะเนี่ยแล้วเป็นธรรมมักรนะถนั่นเองนแต่วินัยทรเนี่ยสอนเรื่องวินยัยเรื่องกฎระเบียบพระสงฆ์ควปฏิบัติตนอย่างศีล ศีลสองสิศีลอภิธรรมา j ย์อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าพ่ะพินัยทร น, นแต่ทำรรมักระถุ่นสอนเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องธรรมวินัยเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนอย่างไรพิธทีทำจิตใจยังไงจะสงบยังไงพิจารณาอะไรสมมติควรจะทําจิตใจให้สงบยังไงวิปัสสนาพิจารณาอะไรอันนี้เรียกว่าพระธรรมกรถึกน่ะ แนะนำสั่งสอนให้รู้จักผู้คนจะได้พระธรรมกะถึกกับ พ, พระพิเนธรนะอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าอันเดียวกันแต่วันหนึ่งนะพระมันจะทเลาะกันไม่ได้ยากในคานศรัทธาญาติโยมนะคือความเห็น แ, กแตกต่างกันน่อยเดียวเท่านั้นนะมันลงกันไม่ได้หนึ่งคือพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกษุใดก็ตามเข้าไปในห้องน้าเข้าไปในห้องน้า แล้วไปล้างชำระตัวเองไปตักน้ําใส่แล้วก็มาชำระตัวเองในเมื่อชำระตัวเองแล้วไปค้างน้ําไว้ในกระป๋องไว้วังวักค้างวักน้ําไปในขันไม่คว่ำไม่คว่ำขันไม่คว่ำขันทิ้งปรับอวบทุกกฎคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายองค์มีพระบางองค์เข้าไปในห้องน้ำํำไปชำระตัวเองแล้วเนี่ย ไปค้างไปค้างน้ําไว้ในขันไม่ลวกขันน่าจะสะอาดไม่น้ําอยู่ในขันนั่นน่ะเ อ, อ้น้ําสกรปรกหรือน้ําอะไรน้รําเศษหลืออะไรก็ไม่ลูกแล้วก็ค้างน้ําไว้เอ่อทำให้คนอื่น ล, ลําบากลาคาญตักขึ้นมาแต่ต้องมาล้างขันซะก่อนเพราะไม่ไว้ใจในน้นนนําตัวนั้นพระองบอกว่าพิกฉุกไดก็ตามในเมื่อล้างตักน้ําขึ้นมาใช้แล้ว เมื่อใช้มท่าน้ำไม่หมดต้องคว่มขันถ้าไม่คว่มขันน้ำค้างอยู่ในขันปรับอวบัตทุกข์กดนี่ลราฟังโดยที่ลูกหลานวินัยของพระในละเอียดถึงขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าขนาดนิดหน่อยกับบัญญัิวินยนะัยจากนั้นกับพระธรรมากรถึกในเข้าไปเข้าไปในห้องน้ำพอไปชำระเสร็จแล้วแต่นี่ไม่ได้คว่ำขันเห็นไห พอไม่ได้ความขันเราวินัยทอนเข้าไปอีกพอเข้าไปเรื่องพระวินัยทอนหนูบอกเอ๊พระธรรมมักระถึกนี่ไม่รักษาวินัยขนาดตัวเองเอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงก็เลยขึ้นไปก็เลยออกมาก็เลยมาถามท่านอาจารย์ทำรรมักระเถือกท่านอาจารย์ท่านทำไมถึงไม่ความขันน้ําเมื่อเราไปใช้แล้วท่านรรมาเถึกบอกเอาผมไม่รู้นะเพราะพวกไอ้เจ้าบัญญัตินะปรับขบัติทุกกฎนะ ถ้าหากว่าไม่คว่มขันครับผมไม่รู้อาจารย์ผมขออาภัยเออไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นอบัตเพราะไม่รู้ไม่เป็นอบัตแร้วแต่ต่อไปท่านอาจารย์รู้แล้วเน่ยเป็นอบัตนะครับผมจะส้ำรวมระวังครับผมไม่รู้จริงครับแต่นี้นก็พอจบแล้วก็น่าจะจบเพียงแค่นั้นแต่นี้นอาจารย์วินัยทรเนี่ยออไปอวดลุกเิียเอาจารย์ทำมาก็ถึงมิตรสอนทำ ไม่รักษาวินัยเลยเข้าไปในห้องน้าก็จะไปขังน้ำไว้ในขันตัวเองเป็นอบัตแ ท, แท้ก็ยังไม่รู้อาจารย์วินัยทเนเ อ, ออกมาพูดนะตอนนี้ทางลูกศิษย์ของวินัยทรนี่ก่อไปพูดเยอะเยาะเยะเยอ ะ, ยอ ะ, ยอะทางอาจารย์ธรรมะกระถึงว่า อ, อาจารย์ของแกโง่จริงๆไปรู้ก็ทางวินัยไปเอาเขาขันน้ำไว้ในขัขน อไปขันถังน้ําไม่ได้ขันอาบัตตัวเองก็ไม่รู้ทางลูกศิีล์ของธรรมอาจารย์มกระทำมกระถึกเนี่ยก็ไปพูดให้อาจารย์ฟังเอออาจารย์ทางโลกศีล์ของอาจารย์พินัยธรวินัยทรเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอาจารย์ทำมกระถึกท่านก็มีปฏิพานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอาจารเอ้ยอาจารย์ทำอาจารย์พินัยทรพูดได้ยังไงบอกว่าผมไม่รู้อาจารย์ไม่รู้ไม่เป็นอาบัต เพราะเราไม่รู้แต่บันนี้เรารู้แล้วถ้าเขาเราทําเข้าไปจะเป็นอาบัต อ, อ, อันนี้เราบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่เป็นอาบัตเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่รู้แต่บัดนี้ทําไมจะว่าเราเป็นอาบัตสแสดงว่าอาจารย์วินายทรเนี่ยพูดสับปรับพูดไม่อยู่กระร่องค อ, อยพูดโกหกนี่แหละอาจารย์วินายทอนเป็นอาบัตปาจิตติภิกษุโกหกที่สุอื่น ต้องปากิตตีนี่แหละหนักกว่าเราอีกนัก น, นี่แหละโลกสิษย์ทั้งหลายกับไย่เย้ยกันทีเดียวพรนิสสุโก น, นั้นเลยเไม่ลงกันแตกแยกสมาธิกันพระพุทธเจ้าห้ามตรงไหนก็ไม่ฟังพระนิสสก็เลยพระพุทธเจ้าก็โจน อ, อ, อย่าไปยินดีในการทะเลาะกันนะพวกเธอนะ อ, อ, อาบัตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหยนกันใช่ไหมไม่เห็นจะผิดที่ตรงไหนองค์หนึ่งว่ารับซะมันไม่รู้ ท่าไม่รู้ก็ไม่เป็นหน้าบัติอยู่แล้วเนี่ย อ, อ, องค์นี้ก็ไปพูดก็ไม่น่าจะผิดมากให้อภัยกันซะพระสององค์เลยไปกราบพระพุทธเจา้าขอพระองค์จงอยู่ด้วยพระโดยอยู่ด้วยความพร ะ, กะเกษมสําราญพวกข้าจะห้ามหันกันเองด้วยวาทะเออเนี่เห็นไหมคนจะทะเลาะกันทั้งที่พระสองกลุ่มทะเลาะกันไม่เป็นไร แต่หลักการของการปกครองของพระพุทธศาสนานะมันเสียหายนะจุดนั้นไม่คิดนะอย่างพระสององค์ทะเลาะกันอยู่ในวัดของเราเนะี่ยเขาไม่ได้คิดวัดสององคนะ์หายไปแล้วก็แล้วแต่ความเสียหายของวัดอโศก a รามขนาดไหนนะี่ยจุดนั้นเนะ่ยเขาไม่คิดนะอันนี้กขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะอยู่นักสถานที่ใดต้องมองดูสถาบันพระองค์นั้นก็เหมือนกันเลยเจากนั้นก็ห้ามอะไรก็ไม่ฟังโอ้แต่ห้ามไม่ฟังเราหนี พระพุทธองค์เล่นหนีออกจากกรุงโกสัมพีไม่เอาพระอานอ์ไปด้ว ย, ยพระองค์ก็ไปจําพรรษาอยู่กับป่าเลไลปีนั้นแหะปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปลีกตัวไปอยู่ที่ป่าเลไลที่ไปอยู่กับช้างกระลิงที่พวกเราเห็นช้างกระลิงเนี่ยปณิบัติพระพุทธเจ้านั่นแหะพรรษานั่นแหละที่พระพุทธองค์หนีจากพระทะเลาะกันพระแตกแยกสามัคคีกันกลุ่มละหานลอจากกรุงเมืองโกสัมพีจากนั้นพระองค์ก็ไปปลีกไปอยู่ในป่า ก่อนที่จะไปถึงป่าเลไลนะท่านก็เดินผ่านไปที่พระอนุรุทธกิมพริวคัคคุที่เป็น เ, เจ้าฟ้าชายกรุงกระบินลพัฒออกบวชและท่านได้สาเร็จเป็นพระราหันธ์ทั้งหมดทั้ง5ท่านนะมีพระอานุ์มีเทวทัตแล้วก็มีอุบนะอาลีออกไปขานั้นหองค์แต่พระองค์แต่ อ, อุรุทธกิมภริวัคคุเนะี่ยท่านไปอยู่ตามลําพังอยู่ อีกเมืองน้อยเมืองหนึ่งพระอง้งก็เห็นเอออนุรุทธากิมพลิวัคคุเนี่ยอยู่แถบนี้พระองค์ก็เลยไปแวะแวะเข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนไปเอ อ, เ อ, อพวกเธอมีความพร้อมเพียงสมัครขีกันดีอยู่เหรอแต่พระทั้งสามองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยวช่ไหโอ้มีความพร้อมเพียงอยู่พระเจ้าข้าไม่มีอะไรโอ้เราเนี่ยเออมาจากกุงโกสัมพีเนี่ยพระทะเลาะกันเราเล่นหนีออกมาเนี่แหละ การทะเลาะกันมันไม่ดีนะทำให้แตกเมื่อแตกแยกสามัคคีกันแล้วนะ่ะทำใหเ้เสียหายจิบหายทั้งสองฝ่าย เ, เคยมีมาแล้วในอดีตการถ้ามันทะเลาะกันนะมันจิบหายทั้งสองฝ่ายนะพระสงฆ์ฟังบาโนทุธากริภะวคู่ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าค่าที่ว่ามีการทะเลาะกันแล้วจิบหายทั้งสองฝ่ายพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งอยู่ในป่าดงพงไพ่แห่งหนึ่งออแล้วก็มีลานหญ้าสนามหญ้า อ, อ, อยู่ในละแวกนั้นแต่มีนกอยู่ฝูงหนึ่งนกกระจาบอยู่ฝูงหนึ่งออไปบินแล้วก็มาเกาะอยู่ในป่าดงพงไพ่เสร็จแล้วก็ออกไปกินตามสนลานหญ้าต่างๆในละแวกนั้นแต่มีนายผ่านพรานพานมาผ่านตะข่ายนะ เวลานกไปบินลงไปเนี่ยเขากดใช้ตาคายตลบแล้วก็จับนกได้แต่ตอนี้นกฝูงนี่มันนกฝูงใหญ่เป็นเป็นหลายพันเป็นหลายพันตัวแต่นี้นกตาคายเขาก็เขาเคยจับนกได้แบบง่ายๆแต่นี่นกฝูงนี่เป็นนกที่ฝึกกันมาเนะ่ยนกฝูงนี้เป็นนกฝูงใหญ่เวลาไปด้วยกันหัวหน้าก็บอกว่ า, วา เวลาเราไปติดตาขายนะให้ฟังผมผู้เดียวผมจะบอกว่าบินก็ให้พวกท่านบินพร้อมกันนะให้จะไปบินคนละคนละทีกันนะอพอนกไปเจอตาขายจริงๆอยู่ในสนามยานพอไปกินตาขายก็วบมันคว่า ม, มาเลยนะฮะมันชักตาขายพอตาขายชักเสร็จแล้วทีนี้ หัวหน้านกแล้วบอกอา้าวบินพวกเราบินมันก็ขึ้นพร้อมกันใช่ไหมบินขึ้นไป อ, อตาข่ายของนายพรานคนนั้นขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นะ เ, เสร็จแล้วก็ไปขึ้นไปวนยอดไม้แล้วก็ต่างตัวต่างหลบออกมาบินออกมานายพรานเนี่ปวดหัวนนะเหมนอนกัอเพราะตาข่ายนกฝูงนี้เอ า, เอาตาข่ายขึ้นไปบนยอดไม้ไม่รู้ว่ากี่อันแต่ทีนี้ต่อมานกสองนกฝูงเนี่ทะเลาะกันทีนี้ เออแก้งยางแก้งแย่งกันเป็นใหญ่ฮะเออตรงรองหัวหน้าเนี่ยเออยากจะเป็นกันแย่งกันเป็นใหญ่สองหัวหน้ารองรองสองเออว่าเอาหัวหน้าเนี่ยเวลาหมูจะไปกินอาหารหมูกำลังลงไปตัวเองกินอิมแล้วบินขึ้นก่อนเออไม่ได้รอหมูรอเพื่อนอะไรเลยไม่มีน้ำใจเออพวกลูกน้องทางไลยก็อ้าวใช่รองหัวหน้าเนี่ยพูดทุกมา โพนิโซก็เลยนกสองนกฝูงก็เลยแตกเป็นสองแต่นี่ก็มีสองรองหัวหน้าถึงไงหัวหน้าใหญ่ไม่ได้ละหัวหน้าใหญ่เป็นโพธิสัตว์มันี็หนีมีแต่สองรอง ส, งสองหัวหน้าห้าหันกันทะเลาะกันเลยเอพอต่อมาถึงมันนกเถียงกันอยู่ตลอดยมันไม่ลงกันอพอไปบินไปกินไปกินอาหารในสนามหญ้า ไปถูกตาขายซะนี่ตาขายก็ก็ชักเวิรบมาเหมือนเก่านะั่นแหะพอมาที่นี่ไอ้นอกฝูงหนึ่งนะ่ะเอาบินไอ้ฝูงหนึ่งบอกให้ไม่ต้องบินนะพวกเราพวกเราไม่ต้องบินให้พวกเก่งๆมันบินไปบินดูสิผลที่สุดนกฝูงนั้นก็นบินไม่ขึ้นเพราะมันไม่มันกำลังไม่พอใช่ไหมล่ะมันบินไม่ขึ้นเหนื่อยนะพอเหนื่อยเสร็จแล้วอัดฟกนกฝูงสองเนี่ยบอกเอ้ย นั้นมัน ไ, ไม่ได้เรื่องครับพวกเราบินเออพวกนะักบินมันก็ไม่ขึ้นเพราะเห็นไรเพราะกำลังไม่พอพนผลที่สุก็นายพานพานนกมาพอดีจะนี่เขาก็ลวกตีนตาข่ายไม้เหลี่ยวก็หวดหวด้วด้ะวะผลที่สุดก็เลยมาถอนขนลงกระทะเออไม่พีกไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเสมอกันเป็นอาหารอ ร, อร่อยของนายพานนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นพ้นดีทำให้จิบหายทั้งฝูงทั้งพักทั้งพวกทั้งหมดไม่มีใครเก่งกว่ากันมีแต่เสียหายนี่แหละเป็นมาแล้วอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกกล่าวเอาไว้ท่านสอนพิกูุนะ่นแล้วการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันกระจีบหายทั้งสองฝ่ายอีกเหมือนกันไม่มีใครแพ้ใครชนะถ้าจองเวรกัน พระ อ, อนุรธธุทธะกินเพลยตท่าก็ถามว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ว่าคนทะเลาะกันแล้วปูกอาฆาตกันแล้วมีความจิบหายอยากฟังเหรอสมัยหนึ่งมีหมีอยู่ในป่าหมีป่าอยู่ในป่าหนึ่งป่าหนึ่งหมีตัวนั้นหากินอยู่ในป่าตามลําพังแต่วันหนึ่งตอนเช้าใกล้สว่างหมีตัวนั้นก็เลยไปนอนพอหากินทั้งคืนแล้วก็ไปนอนใกล้สว่างแลก็ไปนอน อยู่ต้ตนไม้สนะคอร์น้ำร่มร่มไม้สะคอร์พ่ อ, อ, พอกําลังจะนอนเค็มๆนะกิ่งไม้สะคอก็เลยหล่นลงมาใส่หัวหมีตกใส่หูกตูกหัวหมีนะเพราะหมีหมีก็โกรธทําไม้สนะคอรโอ้โหเรากําลังจะนอนหลับๆเนี่ยไม้กิ่งไม้สะคอมันหล่นใส่หัวเราเนะี่ยเอา้อาวท์ถ้าข้ามีโอกาสข้าจะโค่นมันอข้าจะโค่นมันไม้สะคอรต้นนี้ไนงะ มีตะ น, น้นมันผูกอาฆาตแล้วเนี่ยผูกพยาบาทอาฆาตไม้สะคอแหละมันก็เลยเดิ น, ดนต่วมเตี้ยมหนีไปที่อื่นนะพอเดินไปที่อื่นมันก็ไปนอนที่อื่นพอสาสายมาทีนี้มีชาวบ้านเข้าไป เ, าเตรียมเครื่องทัพสมภาระมีเลื่อยมีหลังวัดมีขวา น, นาถือเข้าไปอาพอไปมีตัว น, นั้ น, น่ะ ไปนอนเลยเห็นเห็นคนก็เลยเดินเข้าไป เ, เขินก็ไปหาคนก็เลยถามบอกพวกท่านมาอะไรพวกพวกในช่างก็บอกว่ามาหาไม้เพื่อจะทําแอกรถงอนรถแอกรถงอนรถมันเสียก็เลยจะเข้ามาในป่านี่แหละหมีตัว น, นั้นก็เลยบอกว่าข้าไปเจ้าอยู่ในป่าดงพงไผ่เนี่ยยาวนานไม้ที่แข็งที่สุดดีที่สุดเดี๋ยวนี่คือไม้ตะเนี่ย เอนี่ไม้สะคอ <c oughs> ไม้จะคอเนี่ยเป็นไม้ที่เนื้อแข็งเหมาะสมที่จะทําเป็นแอกรถงอนรถเออที่ไหนอหมีกันเลยเดินตุ่มเตี่ยมไปกันเลยตรงนี้แหละต้นนี้แหละเอเขาจะวางเครื่องทับสัมภาระลงจากนั้นเขาก็เลื่อยเลื่อยเสร็จแล้วขเขาก็โค่นลงมาทันี้ลุกขะเทวดาอยู่ในต้นไม้จะคอเนี่ะที่อยู่ในต้นไม้คือเป็นบ้านของเทวดาใช่ไหม เป็นลุกขะเทวดาอยู่ในต้นไม้โอ้โหหมีตัวนี้มันพูดได้ยังไงไม้สะคอสกิ่งไม้แห้งไม้แห่มันหล่นลงดินจะหล่นไปที่ไหนอันนี้มันหล่นลงทึงดินก็จะมาหาผูกพยาบาทอาฆาตข่ามาโค่นบ้านของข้าเอาเถอะถ้าข้ามีโอกาสข้าจะจัดการกับหมีตัวนี้นี่แหละลูกขะเทวดาแตน่นกน็ผูกพยาบาทอาฆาตในหมีเห็นพอต่อมาเนี่ยพวก ในช่างเขาก็ตัดไม้ให้ได้ขนาดแล้วก็มาถาใช่ไมมาถาให้เป็นรูปร่างพอที่จะนำเข้าไปบ้านได้ เ, เทีนี้ก็ลูกขะเทวดาก็จำแรงตัวเป็นมนุษย์ใช่ไจำแรงตัวเป็นมนุษย์ถามว่าพวกเธอทั้งหลายทำอะไรมนุษย์ก็บอกว่ า, วาทำแอกรถงอนรถเออเอาไปใช้พองแอกรถงอนรถของเรามันมั น, ม, นมันหักแล้ว เ, เทวดาก็บอกว่าอยากจะให้เแหวดรถงอนรถของพวกเธอเนี่ยสวยงามไหมเออก็จะให้มันสวยยุ่นแหละ อ, อ, อยากจะได้สวยงามาจะให้สวยงามนะเ อ, อเอาหนังหมีหุ้มนะเออเอาหนังหมีหุ้มมันจะสวยงามหนังหมีที่ไหนเอาเนี่หนังหมีที่มันนอนกัูนั่นนะ่ะเ อ, อ่ย่องย่องไปเอาขวานสับหัวมันเลยเ่านั้น พอสับหัวเสร็จแล้วก็ถลกหนังมันลอกหนังมาเเสร็จแล้วก็อมไปหุ้มหัวไปรุ่งหุ่ ม, มงอนรถดํามืดสวยงามมากเลยนะเออเอาอย่างงั้นเหรอพอฉะนั้นพวกช่างทั้งหลายก็ฟังเทวดาลุกขะเทวดาเขาไป็รู้เราเป็นลุกขะเทวดามีแต่ว่าคนมาพูดให้เขาเขาก็ย่องย่องไปก็ควานจับหัวหมีหนะอ่อยเสร็จนั้นเขาก็ถลกหนังเลย เขาก็เลยเอาทั้งไม้เอาทั้งหนังหมีเข้ามาในบ้านนี่แหละเพราะพระพองค์บอกว่านิทานเรื่องนกกระจา ก, ก็ดีแตกแตกแยกสามคีกันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะจิบหายทั้งสองฝ่ายถ้าปีผู้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวณกันเหมือนกับหมีหมีกับไม้สะโคก็จิบหายทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน เพราะนั้นการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่เป็นผลดีให้อภัยกันไว้ดีที่สุดเนะี่ยอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะพวกเราเกิดมาในโลกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องนิทานเรื่องชาดกเรื่องแต่แยกสมคีม่ใช่ว่าพวกเธอทั้งหลายพวกเราทั้งหลายแตกแยกไม่ใช่อันนี้เป็นการระวียงระวังเอาไว้ออพอเราเกิดมาในโลกเนี่ยขนาดลิ้นกับฟันของเรามันอยู่เกิดมาด้วยกันแท้ๆมันยังกัดลิ้นนะี่ย อันนี้ก็เหมือนการการอยู่ด้วยกันมากมายถ้าเราระวัดระมัดระวังเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราได้ยินได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธะการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็ดีการแตกแยกสามัคคีกันก็ดีไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราถือเอาไว้พิจารณาเอาไว้ถือเป็นแบบอย่างเอาไว้ เ, เป็นตัวอย่างเอาไว้ ก็จะเป็นผลดีพวกเราจะมีที่หลบที่หลีกอันไหนควรไม่ควรในชีวิตของพวกเราก็จะเดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมได้อันนีค้คือการเป็นอยู่แต่เรื่องคุณธิธรรมศีลธรรมจริยธรรมภายในจิตใจพวกเราก็ทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจุดนี้สําคัญนะคือเรื่องแนวความคิดเนี่ยหลักธรรมคาสอนของพุทธทหรือหนักถักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์ ท่านพ่อลีท่านพ่อลีก็ดีที่ท่านได้ศึกษามากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคสมัยปัจจุบันหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรโดยมากถ้าเราศึกษาดูในแนวแถวของหลวงปู่ลีท่านก็จะสอนเรื่องภาวนาพุโทโธนี่แหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นคือว่าสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านสอนภาวนาพุโทโธพุโทโธเป็นหลัก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโถกอันนี้คือสมถกรรมฐานคือทําทําจิตใจตร่อมร่อมจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วเราจะนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งมันคนละอันกันสมถะคือทําจิตใจให้สงบการจะทําให้จิตใจให้สงบนั้นมีมากหลากหลายมีกรรมฐานสี่สิบอย่างว่ากรรมฐานสี่สิบกันนอกจากนั้นไปอีกนะ สรุปแรกก็คือให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวเองการที่จะนึกคิดอะไรให้มีสติให้มีสติเฝ้าบ้านอยู่ตลอดถ้าคนมีสติอยู่ในในตัวเองแล้วคนนั้นแหละอยู่นสถานที่ใดก็ดีแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเผลอเลยส่งจิตออกไปข้างนอกอใครๆว่าเผลอสติอยู่บ่อย อันนั้นไม่เป็นผลนดีถ้คณะสัตยาติโยงลูกหลานที่หลวงพ่อพูดใอเช้าหลวงพ่อก็พูดว่าถ้าเราถ้าเป็นพ่อค้าวานิชส่งสินค้าออกไปข้างนอกส่งข้าวไปขายส่งรถไปขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรมากมายส่งไปขายต่างประเทศได้กําไรเพราะส่งของออกนอกมีตลาดส่งนอกได้กําไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมถ้าใครก็าตาม ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกบ่อยๆเผลอเรอะบ่อยๆคนนั้นขาดทุดนะไม่เหมือนพ่อค้าเขานะถ้าว่าพวกเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเออนึกคิดเราคิดเรื่องอะไรสติของเราเป็นยังไงขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนั่นแหละคนนั้นนะ่ะได้กำไรในเมื่อเราในอยู่กับตนเองแล้วใจเราจะรู้ เราจะเห็นนึกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เ, อเราบริกรรมอยู่กับพุทโธพุทโธใจของเราก็จะนิ่งพอจิตใจของเรารวมสงบพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งจะมีความรู้ขึ้นมาแล้จากนั้นจากนั้นเราก็นำจิตที่ผ่านความสงบไปนั้นน่ะนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลพิจารณาอะไรบางทีพิจารณาถึงมรณงเมภ์ผวิจติ และเลือกถึงความตายอามองดูความตายของตัวเองชีวิตของเราเนี่จะยืนานานไปสักเท่าไรหน อ, อพ่อแม่ปู่ย่าตายายคููบาอาจารย์ท่านมีชื่อเสียงกิตติรัพชื่อเสียงโด่งดังท่านก็จากไปทีละองละองล์อง เ, อเราเนี่เป็นยังไง เ, เราจะอยู่ไปนานสักเท่าไรชีวิตของเราคุณงามความดีบุญกุศลที่เราได้มาได้เกิดมาพบพบ พ, บพุทธศาสนา ได้พบประธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเราได้ฝึกฝนเราได้เตรียมพร้อมเราได้ประกอบคุณงามความดีเราได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเพียงพอหรื อ, อยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะทบทวนกันกลองไตร่ตรองมองตนเองอยู่เสมอเพราะนั้นพวกเราถ้าว่าพวกเรามองตนเองอยู่อย่างนี้นะเออเ อ, อเรายังขาดตกบกพ่องอยู่นะการประกอบคุณงามความดีนะ เรายังเหินห่างอยู่ เ, เราควรจะทําให้ทีกว่านี้จากนั้นเราก็ประกอบคุณงามความดีไม่มีใครที่จะทําแทนเราได้ในจุดนี้ เ, เมื่อในเราว่างเราก็มาสู่วัดวาศาสนาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากนั้นเมื่อเราเ อ, อ, ออกจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองเออวันไหนว่างๆก็ไห ว, ว, ว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนา ถ้าวันไหนไม่ไมพร้อมเอาเอาอก็ทำภาระจุดนั้นไปซะให้มันจบจบไปถ้าวันไหนว่างว่าไม่มีอะไรเอานั่งภาวน า, าปฏิบัติให้พวกเราตรวจตราดูอย่างนี้อยู่เสมอเออถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจอยู่ในจิตในใจประกอบคุณงามความดีลงพ่ อ, อว่าพวกเราจะประสบสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา ที่ว่าท่านว่าว่าอิทธิบาทอิทธิบาทคือขุนเครื่องขุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ฉันทะเรามีความฉันทะพอไหมแฉฉันทะคือความพอใจในจะปฏิบัติเรื่องศีลและธรรมปฏิบัติศีลธรรมฉันทะวิริยะเราเพียรพยายามประกอบคุณงามความดีอันไหนคือคุณงามความดีเราเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจรุดนั้นให้มาก จิตตะให้เอาใจฝ่ายฝึกฝ่ยเอาใจใส่ในการประกอบคุณงามความดีของพวกเราและก็วิมังสากันกรอง ก, กันกันกรองไตรตองเหตุและผลออการกระทําของเราเพียงพอหรือยังสมบูรณ์หรือยังถูกต้องเป็นธรรมหรือยังถ้าว่าพวกเราใช้อิทธิบาทตรวจตราอยู่ในจิตในใจของพวกเราตรวจตราดูในตัวของเราอยู่เสมอพวกเราจะไม่สะเพเเเเเเเอเเเเเ ไม่รุ่มหลงจนเกินจนเกินไปเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาะประกอบคุณงามความดีสังสมบูรณ์กุศลไปเรื่อยๆถ้าว่าพวกเราเไม่ได้ใส่ไม่ได้คิดในจุดนี้นะจนถึงโค้งสุดท้ายนะยังค่อยมาเพราะว่าเพราะว่าอยากจะมาพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ที่หลังมันสายเกินไปเสียแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทาเมื่อไรเมื่อใจรับเมื่อสะดวกสรวก เมื่อว่างว่าหรือว่าวันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เราขับรถเรานั่งอยู่กับรถไปกับเขาอย่างนี้แข่งคนโซเฟอร์เขาขับรถเขาขับไปแต่เราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในจิตในใจมันได้ทั้งนั้นแหละคณะสัตยายาดโยมลูกหลานพอมาถึงบ้านเราก็เออเอ้าทำกิจการงานให้เรียบร้อยจากนั้นก็ประกอบพุทธงามความดีก็ไหวพระสวดมนต์เมื่อมันว่างเมื่อมันมีเวลา เออเราจะคิดว่ามันว่างับชัดเจนซะก่อนจึงทำมันหาอย่างนั้นมันหายากนะขนาดใดขนาดเนื้เราต้องหาเวลาเราหาเวลาทำอย่างอื่นเรายังทำได้แต่เราจะหาเวลาประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไม่มีเวลาแต่แต่งว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยเออเอาคุณงามความดีเอาเวลาไปกินมุดเ อ, ออยังเหลือแต่ กล่าเพราะฉะนั้นพวกเราให้เอาประกอบคุณนามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้ภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งภาวนาก็ยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ย น, นะให้นั่งภาวนาพทุพโทโธพุทโธหายใจเข้าพาุทหายใจออกโธไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าคนเข้ามาในอาคารเราก็รู้ว่าคนเข้ามาในอาคารคนออกไปนอกอาคารเราก็รู้แต่เราไม่ต้องตามคนออกไปและไม่ต้องตามคนเข้ามาในอาคารเพียงแต่ยืนอยู่ข้างประตูคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกมีสติอยู่เพียงแค่นั้นละ่ะ ว, วิธีการกําหนดลมจากนั้นเรามีความพยายามมีความตั้งใจจิตใจใจจากนั้นใจของเราจะรวมสงบได้ฮ แม่แต่หลวงพ่อก็ให้คําเกือบทุกครั้งที่หลวงพ่อมามาบอกกล่าวว่าให้พวกเรานับดูนะหลวงพ่อว่าอันนี้นับคือมันเห็นได้ง่ายนะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้านับลมหายใจเข้าหายใจออกนับถึงร้อยไม่เผลอถ้าไม่เผลอแล้วกลับหนึ่งม่อีกถ้ามันเผลอจุดไหนจะไปนับต่อให้กลับมากลับมานับหนึ่งม่อีกเราจะได้รู้ว่า ใจของเรามันเผลอได้มากง่ายเพียงแค่ไหนอย่างไรหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่คี้คู่ขี้คูขขขข่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์ซะก่อนแล้วก็เอแล้วเอคู่ะคู่ขี้ช่ไนี่ยมันสลับกันแสดงว่าเราเผลอแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆที่พวกเราจะรู้ว่าของเราจิตใจของเรามันเผลอมากาาน้อยได้ยังไงแค่ไหน นี่แหละอยากจะให้พวกลูกเราคณะสะัตายาธโยมถ้ามันเผลอบ่อยไม่เป็นผลดีน ะ, ะถ้าคนที่เผลอบ่อยไปว่าขาดสติบ่อยเนี่ยเเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆเป็นอันเซเมอร์ได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้พยายามให้มากที่สุดนะนี่แหละในเมื่อเราตั้งจิติจเราเราภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้ น, น, น จิตเป็นอันไดสติเป็นนั้นสติกจิตกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นว่าจิตรวมสูงสุดในเรื่องสมาธิในเมื่อจิตใจรวมเป็นสมาธิดีแล้วนะ เ, เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนะไม่ต้องถามใครนะลูกหลานนะเพียงแค่นี้ก็รู้ได้ด้วยตนเองแล้วว่าเมื่อจิตรวมสงบลงไปกายกับใจใจกับกายเห็นได้ชาติเป็นคนละอันกันเลยร่างกายกับจิตใจ เป็นคนละอันคนละแนวกันเพราะนั้นเมื่อเราตายร่างกายแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลงไปเอาไปเข้าไปในเมนินไปเผ า, เาไปเผาในเมนเแต่จิตใจออกจากร่างไปแล้วจริงมันไม่ได้เผาในะใจออกจากร่างนะนะแต่ร่างกายเผานแน่แน่พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะมั่งมีสิสุขมั่งขังสมบูรณ์ขนาดไหนก็เถอะนะ เ, เงินส่งถึงโรงพยาบาลตรงพ่อว่ า, เ, าเงินในส่งถึงโรงพยาบาลแต่ญาติพี่น้องทางหลายที่รักขนาดไหนก็เถอะลูกหลานญาติโกโหติกาที่รู้จักมักคุ้นกันรักขนาดไหนก็เถอะส่งกันถึงเมน เ, เท่านั้นแหละาจากนั้นก็นัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถนะตนแลเป็นติพึ่งของตอนโกหินาโถโรซิยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรา เ, เงินส่งโรงพยาบาลป่วยมาหรืเจ็บใขรได้ป่วยเอาส่งโรงพยาบาลพอหายแล้วก็กลับมาพอแก่ขึ้นมาก็ส่งก็อีกรักษาหายแล้วกลับมาคนในส่วงเป็นนักเคลื่อนก็ส่งทึ่โรงพยาบาลเป็นนอนอยู่โรงพยาบาลถึงจะแพงขนาดไหนเรามีเงินคนในส่วนก่อไปล้มไปตายอยู่ในโรงพยาบาลเลย อหมอก็เอาไม่ไหวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะหมอหมอก็ตายเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ตายในเมื่อตายไปแล้วเน่ยเอาเออเอาศพกลับมาเถอะออกมากลับมาบําเพ็ญออกมาไว้ในบ้านบ้างไว้ในบัดฟัดบ้างเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันอ่หรือร้อยวันเอเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ใส่ใสลงแนละ้วไปเผาที่เมร์พอไปเผาที่เมร์เอาขึ้นยก ยกเมนขึ้นไปแล้วกันนะวางดอกไม้จันเลยเอาดอกไม้จันขึ้นไปเออโอโหสีกรรมเนอข้าไปจาเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอท่านโปรด อ, อโหสิกรรมให้ข้าไปจาเจ้าท่านก็เหมือนกันได้ล่วงละเมิดล่วงเกินข้าไปเจ้าสิ่งใดก็ตามข้าไปเจ้ายินดี อ, อโหสิกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีเถอะนะโ อ, อ้โหสิกรรมที่เมน เสร็จแล้วก็ไม่มีใครที่จะกระโดดเข้าไปในเมนด้วยนะอไม่มีใครที่จะไปตายทวนไม่มีพอวางเสร็จแล้วออกมานั่งเก้าอีจากอีกไม่นานเขาก็ เ, าเผาเออประชุมเพิงพระราชานเพิงนะในเมื่อพระราชานเพิงร่างกายมันจะถูกเผาอะไรตัวนี้แต่จิตใจมันมันออกจากร่างไปนะนะอนัตธาญาติโยมลูกหลานนั่นแหละออกจากร่างไปอัตติอั ต, ตโนานาโถนะทีนี้ตนแลปฏิพึ่งของตนโกหิณาโถปรโรจิยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่เพื่งเราได้นั่นแหละบุญกุศลจะเข้าไปเลอกไปบล็อ ก, อกหรือไปเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราทำดีทำสร้างบุญสร้างกุศลความดีบุญกุศลนั่นแหละจะพาเราไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดสวรรค์ชั้นพรมจนไปถึงสวรรค์นิพสวรรค์นิพพานผลทุกข์ในวัฏฏะสงสารบุญกุศลนั่นแหละพาไปแต่ถ้าเราทำกรรมชั่ว กรรมชั่วกับจะเข้าเป็นเพื่อนสองเราอีกเนี่ย เ, เข้าไปเพื่อนเพื่อนสองล็อกแขนเราเลยแล่ะจะไปจะไปที่ไหนไปตกนรกก่อนใช่ไหมก็ทํากรรมชั่ว อ, อพก็ทํากรรมชั่วก็ต้องไปกรรมชั่วซะกอ่อนจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตมาเกิดเป็นสัตว์ที่ไร่ฉานนา น, น า, นนานชนิดมาเกิดได้ทั้งนั้นพราะไรกรรมพามาเกิดกรรมชั่วพามาเกิดเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอากคตงังลุกตงังเสยโย กรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะถ้าเราจิตใจสงบผ่านจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วนะ่ะจะมองเห็นได้ที่หลวงพ่อพูดนี่นะเราจะมองเห็นใจของตัวเองได้ชัดเจนกายกับใจใจกับกายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเมื่อจิตใจ ผ่านความสงบเป็นสมาธิเราพิจารณาร่างกายให้เห็นอันิจังทุกขังอนัตตาเห็นไตร ล, ลักถึงร่างกายสังขารเป็นของไม่มั่นคงเป็นของไม่ิรังถาวรเป็นอยู่ในกฎอันิจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายอีกสักวั น, นข้าไปเจ้าจะต้องทิ้งออกจากร่างนี่แหละไว้ให้พวกเราทุกๆุกท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตในพระ พ, บ พ, บพบุทธศาสนา ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการกล่าวสัมโอชนิยกถาในวันนี้เบื้องต้นหลวงพ่อได้กล่าวเรื่องอความพร้อมเพียงสามัคคีสุขคัสสะสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงแห่งหมูนะ่คณะนําสุขมาให้ นี่แหละหลวงพ่อได้เปรียบเทียบยกขึ้นมาว่านกกระจาบฝูงนั้นแตกแยกสามัคคีกันกิบหายทั้งสองฝ่ายไม่มีความผาสุกเลยนี่แหละแล้วหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธปาฏิตว่าขยะวยะธรรมมาสังขาระอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติสังขารทั้งสังขารร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงนะพวกเราพระท า, ายาทโยมลูกหลานไม่รู้ว่าวันไหนลนะ แม่จะต้องจาก่จะต้องไปตามมายุสังขารของมันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้คือเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเตือนภิกษสุสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขยะไยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและก็ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนก็คือนะ่ยอย่างพวกเรามานั่งภาวนาอย่างนี้ลนะ่ะประโยชน์ตนอย่าให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์ท่านก็คือการธรรมาเลี้ยงชีพการสงเคราะห์นุเคราะห์สามีภรรยาลูกหลานวงส์สาธาณญาติให้ช่วยสงเคราะห์โลกช่วยสงข้าวหมูพกเพื่อนอันนั้นก็ทําให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ว่าในการประกอบคุณงามความดีประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนั้นแหละเป็นผู้มีปัญญา คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อเรนนำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนําสั่งสอนคณะสัตยายาดโยมลูกหลานขอให้พวกลูกหลานจงมีแต่สุข ก, กายสุขใจด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนนัรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อนุภาพบุญบารมีของท่านพ่อลีอนุภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองคณฑทานญาติโยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็คอยสมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธนิน